เริ่มต้นจากการมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติเริ่มจากการมีสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมมาโดยตลอด ถึงเราจะนั่งสมาธิมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ตามเมื่อออกจากการภาวนาแล้วจะต้องมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนไม่ให้ปรุงแต่งใดใดทั้งสิ้นเมื่อเผลอสติหรือลืมตัวก็พยายามทำความรู้สึกหรือรู้ตัวทั่วพร้อมกันใหม่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา โดยมีความเพียรเป็นหลักไม่ท้อถอยอ่อนแอไม่ไหลไปตามอารมณ์เหมือนแต่ก่อนนี้แม้เริ่มแรกจะประคองสติไม่ได้มากเท่าที่ควรเพราะความหลงลืมแต่ก็ไม่เกินความพยายามของเราโดยอาศัยความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นให้จงได้แม้ในตอนแรกจะมีสติได้เพียงหนึ่งหรือสองนาทีเท่านั้นก็ตาม แต่เหมือนเป็นสิ่งท้าทายให้ข้าพเจ้ามีมานะพยายามที่จะเอาชนะใจของตนเองให้ได้เมื่อมีความตั้งใจดังนี้จึงพยายามครองสติไว้ได้ยาวนานขึ้นจากนาทีเป็นสองสามนาทีเป็นสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นวันโดยใช้เวลาไม่นานปีนัก ทั้งนี้ได้ตั้งปณิพนิานไว้กับตนเองว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะต้องมีสติอยู่ด้วยถ้าขาดสติสัมปชัญญะสิ็นแล้วก็ขออย่าให้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าพเจ้าคาดคันตนเองว่าอย่าอยู่อย่างประมาทเพราะถ้าเราเอาชนะตนเองไม่ได้แล้วจะเอาชนะสิ่งอื่นๆได้อย่างไร แค่บังคับให้มีสติอยู่ยังทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปเถอะในชาตินี้เราก็เดินอยู่บนทางที่แสนกันดารอยู่แล้วชาติหน้าก็อย่าได้ตกต่ำไปกว่านี้เลยเราจะสร้างทานศีลภาวนาตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ให้ได้คนเราถ้าอยู่อย่างขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็เหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือ เหมือนปลาที่ตายไปแล้วไม่สามารถที่จะแหวกว่ายทวนกระแสน้ำฉันใดการขาดสติสัมปชัญญะของเราก็เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอจึงทำให้มีความพยายามมากขึ้นคอยควบคุมให้มีสติคุ้มครองจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านให้จิตเป็นปกติคือเป็นของตนเองไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์ดีหรือชั่ว พยายามไม่พูดกับจิตไม่คิดในใจเมื่อตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเช่นเห็นป้ายโฆษณาก็ไม่อ่านในใจมีสติอยู่กับสมาธิในจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยอยู่อย่างเบาๆไม่เดือดร้อนในสิ่งที่มากระทบใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา หากเผลอตัวไหลไปตามอารมณ์นั้นๆเมื่อรู้ตัวก็หยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดสแสวงหาให้จิตอยู่อย่างสบายไม่กังวลหยุดโกรธหยุดโลภหยุดปรารถนาในขณะที่ยังมีสติอยู่นั้นความสุขสงบก็ค่อยๆซึมซับเข้าสู่จิตใจขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ นี่คือผลของการปฏิบัติในปี 2,529